สำคัญยิ่งที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวแต่วันอื่นๆหลวงพ่อก็ไม่ได้ว่าแต่วันนี้หลวงพ่อขึ้นประโยคแรกที่เดียวหลวงพ่อก็กล่าวคำนี้เลยว่าวันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประกาศกฎเกณฑ์หลักพระธรรมวินัยปกครองสงฆ์ เมื่อ 2,559 ปีให้หลังวันนี้เป็นวันที่22กุมภาพันพธุสักราษ 2,559 เพราะนั้นพวกเราคณะสัตายาิโจมมาถึงวันนี้ก็นับว่าเป็นพวกเราเป็นผู้มีบุญฮ่ายังจะได้บาเพ็ญกุศล ม่อเป็นคุณงามความดีประกอบคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจของพวกเราถ้าพวกเราชีวิตของเราไม่มีเราก็คงไม่มีโอกาสวาสนาเพราะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งที่พวกเราได้มาประกอบพิธีในว่ายพระแล้วได้กล่าวคำถวายสักการะในวันมาณ มาค่าบูชาจากนั้นเราก็ได้ทำพระทักษินเวียนขวารอบศาลามีพระพุทธปฏิมาเป็นที่เคารพสักการะของพวกเราพวกเราก็ได้ทำจบลงไปแล้วจากนั้นมาเราก็ได้ทำวัดเย็นสวดพระมงคลสวด ที่เป็นสรรเสริญพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์และถักหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าก็จบลงไปแล้วต่อนี้ไปก็พวกเราประกอบให้ครบทุกอย่างเลยตั้งแต่เมื่อเช้าเราก็ให้ทานรักษาศีลให้ทานบัดนี้ก็ได้ได้ฟังธรรมเทศนาจากนั้นเราก็จะได้นํามาประพฤติธปฏิบัติให้นํามาภาวนานํามาปฏิบัติ สัมรวมกายวาจาใจของเราศีลก็ ค, คือรักษากายวาจาแต่บัทที่เราจะสัมรวมใจนนะทีนี้นะการสัมรวมใจคือนั่งภาวนาทําจิตใจให้สงบตามแนวแถวของพุทธะที่พระพุทธเจ้าได้ตดรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้นําพระธรรมคําสอนออกมาประกาศเผยแผ่พระสงฆ์สาวก ได้นำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าออกมาบอกกล่าวต่อๆกันมาจนถึงพวกเราแต่พวกเราท่านทั้งหลายเมื่อนั่งภาวนาเข้าไปแล้วบางทีก็ไม่ได้รับความสงบเพ่าที่ควรรู้สึกว่า อ, อ, อาจจะบารมีของพวกเรายัางอ่อนหรือความอุตสาหะวิทยะของเราไม่ถึงหรืออะไรหลายอย่าง ศรัทธาคือความเชื่อของเรายังอ่อนแออย่างนี้เป็นตน้นนะให้พวกเราตรวจตราดูพวกเราทุกๆกท่านถ้าว่าพวกเรามีความเข้มแข็งอดทนตามหลักทมคำสอนของพุท ธ, ธะที่ว่าอิทธิบาทอิทธิบาทคือคุณเครื่องให้สำเร็จความประสงค์ให้นำมาเปรียบเทียบดูสิว่าอิทธิบาทของพระพุทธเจา้า ที่ท่านได้ตรัสเอาไว้คือสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยจะสำเร็จอันนี้เราครูบาอาจารย์ท่านภาวนาท่านก็เลยทำจิตใจให้สงบท่านก็บอกวิธีกรรมวิธีการให้กับพวกเราแต่ทาไมพวกเราทำาไปแล้วทำไมไ ม, ม่สำเร็จทำไมมันมีอะไรหรือว่าความเชื่อของเรา หรือความพยายามของเราหรือความฉันทวิรยะจิตตะของเราอ่อนแอไปหรือเปล่าไอ้เ น, นี้ก็ให้ทบทวนดูนะอ่ออิทธิบาทก็คือเครื่องให้สาเร็จความประสงค์น่ฉันท่าฉันท่าคือความพอใจเราพอใจไหมที่เราจะนั่งภาวนาสันฉันท่าเราพอใจไหมเราพอใจที่เราจะทั้งนั่งภาวนาวิระยะ เราเพียรมีความเพียรพยายามหรือยังมีความเพียรมีความพยายามไหมที่จะทำจิตใจให้สงบเรือแต่ว่านั่งจักแต่ว่านั่งพอนั่งเข้าไปไปแล้วก็ปล่อยละเลยเอเอเห้ยลอยลม เ, เราไม่มีความเพียรพยายามที่จะทำจิตให้หยุดให้หยุดคิดบังคับ ห, หยุดคิดเราจะมีความเพียรพยายามอย่างไรจิตตะวิริยะ ฉันทวิริยะจิตตะนี่จิตตาคือใครใครๆว่าเอาจิตมาดูที่เราภาวนาเนี่ยมันขัดตกปกพ่องที่ตรงไหนทําไมมันจิตใจของเราจึงไม่ได้รับความสงบเยือกเย็นมันมีอะไรไหมต้องจิตตาต้องใส่ใจมองมองระหาเหตุหาผลมองดูเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นในใจของเราแล้วว่าจิตตานี่ วิมังสาไ่ไตรตรองหาเหตุและผลจิตที่มันไม่สงบเนี่ยมันมีอารมณ์อันไหนบ้างที่เข้ามาสู่จิตใจของเราในขณะนี้เวลานี้หรือก่อนหน้านี้เรามีอารมณ์อารมณ์อะไรที่ทำให้จิตใจของเราควายแขวออกไปข้างนอกหรือทำให้ใจของเราไม่สบายเหล่านี้เป็นตน้นเราต้องหาเหตุหาเหตุผลของมันเรียกว่า จิตตวิมังสาวิมังสาคือการไตรตองหาเหตุและผลผลนั้นถ้าว่าพวกเรามีอิทธิบาทอยู่ในจิตใจหลวงพ่อว่าพวกเราคงจะมองเห็นนะมองเห็นเรื่องราวภายในจิตใจของพวกเราฉันทะเรามีพอความพอใจไหมวิริยะเรามีความเพียรพยายามเพียงพอหรือยังจิตตะ พวกเราใส่ใจในเรื่องที่จะภาวนาทําจิตใจให้สงบหรือเปล่าวิมังสาไต่ตรองหาเหตุและผลคือใช้ปัญญานะ่ยวิมังสาไต่ตรองหาเหตุและผลทําไมจิตใจของเราจึงเป็นอย่างนี้ปัญหาไม่คึกขนองอย่างนี้ทําไมจึงออกนอกลู่นอกทางอย่างนี้ทําไมเรามีความพยายามอยู่ใจิตใจของเราจึงเป็นอย่างนี้สิ่งเหล่านี้ให้พวกเราใจ หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาดูดูจิตใจถ้าพวกเรามีความามีฉันทะวิทยะเจตตะพิบงังสาอยู่ในจิตใจของพวกเราแล้วหลวงพ่อมั่นใจว่ า, าจิตใจของเราพวกเราก็คงจะไม่เกินหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่ให้พวกเราจะให้ นั่งภาวนาทําจิตใจให้สงบให้บริกรรมพุทโธเป็นหลักนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทรหรือจะกําหนดลมหายใจเฉยๆก็ได้แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราหลวงปู่มัน่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราทุกองค์ที่เป็นสายหลวงปู่มัน่นท่านเน้นหนักเรื่องภาวนาหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโทรเรื่องสมสถนะ ทำสมถะทำจิตใจให้สงบแล้วท่านจะให้บริกรรมพธ์โถเป็นหลักเพราะนั้นให้พวกเราที่เป็นลูกเป็นหลานแนวแถวสายองค์หลวงปู่ของเราให้พวกเราเดินตามแนวปฏิปทาของพ่อแม่กูบายอาจารหลวงปู่หลวงตาะเออเอาจนชุดวิสัยนะไม่ใช่ว่าเพ่าะนะพธิโถพธโถเขาเดียวนะกำหนดตรงไม่กี่ครั้งทะเลถลาย ไม่มีฉันทะไม่มีพิริยะไม่มีจิตตะมีไม่มีวิมังสาเออมันก็ล้มเหลวล้มเลิกอยู่ตลอดไปเ่องเวลาเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะนั่งภาวนากำหนดดูให้จดจ่อให้ใส่ใจให้ดูในความรู้สึกนึกคิดของเราให้อยู่กับพุททโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธไม่ต้องตามหลบเข้าไปในท้อง ไม่ต้องตามลมออกไปข้างนอกมาเพียงแต่ว่าให้อยู่ที่ปลายจมูกของพวกเราหายใจเข้ารู้หายใจเข้าพุทหายใจออ ก, กรู้ว่าหายใจออกโทพุทโทพุทโทพุทโ ท, โทนะอะวันนี้หลวงพ่อขอพูดเพียงเท่านี้ก่อนนะให้พวกเรานั่งแลยทีนี้นะปฏิบัติเลยนะทีนี้นะปฏิบัติตามแนวแถวนะสังเกตตัวเองทําไมหายใจของเรามันปุ่งพุ่งออกไปเพราะสาเหตุอะไรก็เมื่อเรา นั่งภาวนาผ่านไปแล้วนะ เ, าเราจึางค่อยมาทบทวนนั่งคิดทบทวนที่หลังทำไมมันเป็นอย่างนี้วาะหาเหตุนะนหาเหตุท้าผลอ่าหลายครั้งต่อหลายโหดเราก็จะรู้ได้วิธีการเพราะนั้นวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งขอให้พวกเราทุกท่านนะนั่งภาวนาห น, น้าเจนีนะ